พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมพีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทธโรวัดอโศการาม 23. กรกฎาคม 2,500 ห้าเรื่องบุญกุศลตัวจริง หนึ่งบุญกุศลคือตัวเจตนาเดิมที่มีขึ้นในจิตตั้งแต่ในขณะแรกเริ่มที่เราคิดว่าจะทําความดีเช่นวันนี้เราคิดว่าอยากจะมาวัดพอคิดขึ้นเช่นนี้ก็เป็นตัวกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วต่อมาเราก็มาวัดมารับศีลมาฟังเทศตามที่เราเจตนาไว้แต่ต้น เจตนาที่เราตั้งไว้ก็ย่อมสำเร็จเป็นตัวบุญสมดังความตั้งใจถ้าเราคิดว่าวันนี้เราจะมาวัดรักษาศีลฟังธรรมแต่เผอิญมีคนมาทักท้วงห้ามปรามหรือติเตียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราใจเสียตัวกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตของเราคือเจตนาเดิมนั้นก็ย่อมดับศูนย์ไปคราวนี้ ถึงใครจะมาชักชวนให้มาวัดเราก็ต้องฝืนใจมาแล้วก็มานั่งทื่อๆอยู่ไม่มีบุญกุศลเกิดขึ้นในดวงใจเพราะบุญกุศลตัวจริงนั้นมันได้ดับตายไปแล้วสองบุญที่ทำขึ้นใหม่ไม่ใช่บุญตัวจริงเช่นการทำทานรักษาศีลฟังเทศหรือจะมานั่งสมาธิภาวนาก็ดีเหล่านี้ หาใช่ตัวบุญที่แท้จริงไม่แต่เราก็ต้องมันทำไว้ให้เสมอเสมอเพื่อจะได้ส่งเสริมเพิ่มภูนบุญเก่าให้เจริญอ้วนผพีขึ้นไม่ให้มันตายหายสูญไปเสียดังนั้นพอเราคิดตั้งใจอยากจะทำความดีเมื่อใดก็ให้รีบทำเสียทันทีเมื่ออยากจะทำทานก็ให้ทานเมื่ออยากจะรักษาศีลก็รักษาศีลเมื่ออยากจะฟังเทศ ก็มาฟังเทศเมื่ออยากจะภาวนาก็นั่งภาวนาทำดังนี้ผลแห่งการกระทาของเราจึงจะมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสามการคือใจของเราก็จะมีความสุขร่าเริงปิติอิ่มเอิบในส่วนแห่งบุญนั้นตั้งแต่แรกที่คิดจะทำกำลังทาอยู่และทำไปแล้วดังที่ท่านกล่าวว่าโยธรรมังเดเซสิ อดิกลยานังมัดเชกลยานังปริโยสานกลยานังศาสทั้งศักยันเจนังเกวะละปริปุนังปริสุดทางประมจริยังประกาศเสสิกดังนี้เจตนาที่เราคิดว่าจะทำความดีในครั้งแรกนั้นเป็นตัวกุศลที่แท้จริงคือความดีในขั้นแรกเปรียบเหมือนกับเราตั้งใจปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่ง ต่อมาเมื่อเราบำเพ็ญทานก็เปรียบเหมือนเราหาปุ๋ยไปใส่ไว้ที่โคนต้นไม้นั้นรักษาศีลก็เท่ากับเราคอยระวังเก็บตัวบุ้งตัวนอนที่มันจะมาคอยกัดกินดอกกินใบและทำอันตรายแก่ต้นไม้นั้นส่วนภาวนาก็เท่ากับเราไปตักน้ำเย็นๆที่ใสสะอาดมารดที่โคนต้นไม่ช้าต้นไม้ของเรานั้น ก็จะต้องงอกงามเจริญขึ้นทุกทีทุกทีจนเกิดดอกออกผลให้เราได้กินอิ่มหนำสำราญสมความตั้งใจถ้าเป็นไม้ดอกมันก็จะมีสีสดงดงามกลีบใหญ่มีกลิ่นหอมชื่นใจถ้าเป็นไม้ผลลูกของมันก็จะต้องดกมีพันใหญ่และรสหวานเหตุนั้นทานศีลและภาวนาจึงเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนบุญเก่า ด้วยประการชนี้สี้าใจของเราเป็นโทษเสียแล้วจะไปทำบุญทำทานอะไรก็ไม่ได้ผลเหมือนกับเราขนปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ที่ตายแล้วดังนี้เมื่อเราอยากจะกินน้อยหนาสักหนึ่งลูกก็ย่อมไม่ได้ผลสมใจเพราะปุ๋ยที่ขนไปใส่โขนต้นน้อยหน่านั้นมันก็ไปดีอยู่กับต้นหญ้าแตงกวาผักเสี้ยนผักขมหมด หาเป็นประโยชน์แก่ต้นน้อยหนาซึ่งเราต้องการจะกินผลของมันนั้นไม่ชั้นใดก็ดีความสำเร็จของเราคือต้องการจะละตัวโลภะโทสะและโมหะให้หมดไปก็ย่อมไม่ได้ผลทำแต่บุญทานภายนอกไปแต่ไม่ทำกุศลภายในใจบุญทานนั้นก็เท่ากับปุ๋ยของกุศลเท่านั้นเมื่อตัวจริงมันตายไปเสียแล้วปุ๋ยนั้น เราจะนํามากลืนกินเข้าไปได้อย่างไรเพราะมีแต่ของศกกระปรบล้วนแต่ขี้วัวขี้ควายทั้งสิ้นเราจะไปเรียกร้องให้ปุ๋ยที่เละเทอะเหล่านี้มาช่วยอย่างไรได้แต่ก็นับว่ายังดีกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเสียเลยคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาเพราะถึงอย่างไรอย่างไรก็ยังพอจะได้เก็บต้นผักโขมผักเซี้ยนที่อยู่ใกล้ๆนั้นมาแกงเลียง หรือจิ้มน้ำพริกกินได้บ้างห้าฉะนั้นขณะที่เราจะทำอะไรก็ตามต้องมันตรวจดูว่าตัวบุญกุศลที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในใจเราหรือไม่บางคนทำบุญแต่ใจเป็นบาปก็เปรียบเหมือนข้าวหลามที่ข้างหน้าปากกระบอกมันก็สุก ข, ขาวดีแต่ก้นกระบอกยังเป็นข้าวสารดิบอยู่หรือไม่ดำเกรียมเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าวหลามนั้นก็ไม่เป็นอันกินเพราะมันดีไม่ทั่วคนเรานั้นโดยมากกายกับใจมักไม่ค่อยจะตรงกันบางคนทำทานแต่ใจก็ยังโลภอยู่เช่นคนที่ทำทานเพราะปรารถนาอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีทาบาทเดียวจะขอแลกเอาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มีบางคนรักษาศีลแต่ใจก็ยังโรกรธเกลียดพยาบาท อิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้อยู่บางคนนั่งสมาธิภาวนาเพราะอยากไปเกิดเป็นคนรูปสวยรูปงามก็มีบางคนก็อยากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์บางคนก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ล้วนแต่ต้องการสิ่งตอบแทนทั้งนั้นบุญกุศลอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้หกทานนั้น ท่านให้ทำเพื่อกําจัดความโลภศีลก็รักษาเพื่อกําจัดความโกรธภาวนาก็เพื่อกําจัดความหลงไม่ใช่ทําเพื่อพอกพูนกิเลสเหล่านี้บางคนมานั่งสมาธิภาวนากายกิริยาภายนอกเงียบสงบหลับตานิ่งตัวตรงไม่ขยับขยื้อนเคลื่อนไหวมารยาทภายนอกเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อยทุกอย่างแต่ดวงใจ เลิดเปิดเปิงไปนอกบ้านนอกช่องไปอยู่ตามสวนบ้างตามนาบ้างบางคนใจเล่นไปถึงเมืองนอกเมืองนาไปหาเพื่อนหาฝูงหาลูกหาหลานและคิดอะไรต่ออะไรไปต่างๆก็มีใจไม่ได้นั่งอยู่กับตัวเลยอย่างนี้เรียกว่ากายกับใจไม่ตรงกันเหมือนข้าวหลามที่ภายนอกมันสุกดีแต่ข้างในมันยังดิบอยู่ ถ้าพวกเรามีความระมัดระวังให้กุศลตัวจริงมีอยู่ในใจแล้วจะทำบุญทากุศลสิ่งใดก็จงทำไปเถิดอย่าให้มาวัดความซากของกุศลที่ตายไปแล้วคือเจตนาเดิมที่คิดว่าวันนี้เราจะมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลและภาวนาแต่พอถูกใครเขาว่าก็ใจเสียแล้วฝืนใจมาทำบุญเช่นนี้บุญ ด้อมช่วยอะไรไม่ได้เลย 8. การที่เราต้องพากันมาฝึกหัดอบรมจิตใจให้มั่นคงกล้าแข็งอยู่ในธรรมเช่นนี้ก็เพราะโดยมากนั้นคนเราจะต้องผจญกับภัยของโลกอยู่สามอย่างคือหนึ่งความทุกข์เจ็บไขย้ยากจนคน้นแค้นสองความตายสเพื่อนหรือคนผ่านที่เป็นศัตรูเหตุนั้น เราจึงต้องเตรียมตัวไว้เพื่อเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านเข้ามาเมื่อใดเราจะได้มีใจเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความองอาจกล้าหาญไม่ต้องหวั่นกลัวถึงมันจะมาท่าไหนเราก็มีวิธีที่จะต่อสู้กับมันได้ทุกอย่างเหตุนั้นพระท่านจึงให้ศินให้พรว่าอิชิตังปฏติตังตุมพังหิประเมวสมนิชตะตุแปลว่า เมื่อท่านปรารถนาสิ่งใดก็จงสำเร็จโดยฉับพลันคือเมื่อใจของเรามีอานาจกล้าแข็งแล้วจะคิดนึกสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จหมดเก้าผู้ที่ปล่อยให้ตัวกุศลเดิมของตนดับหรือตายไปจากใจแล้วมาทาทานศีลภาวนาใหม่ผลที่คิดครั้งแรกย่อมไม่สำเร็จแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ทำเลยตัวกุศลเดิมของเรานั้น เปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นไม้เราไม่ตายยิ่งใส่ปุ๋ยมันก็ยิ่งจะงอกงามใหญ่กิ่งก้านดอกใบของมันก็แตกสาขาออกไปกล่าวคือกายก็จะงามสงบมือจะทำอะไรก็เป็นบุญเท้าจะย่างก้าวไปที่ไหนก็เป็นบุญปากจะกล่าววาจาใดก็เป็นบุญใจจะนึกคิดสิ่งใดก็เป็นบุญล้วนแต่เป็นบุญไปหมด ทั้งก้อนกายเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุข 10. บคำว่าศีล น, นี้กล่าวโดยพยัญชนะก็ได้แก่การที่สมาทานศีลห้าศีล8ปศีลสิบหรือศีลสยีกล่าวโดยความหมายก็คือการคิดพูดทาโดยไม่เบียดเบียนใครคิดก็โดยเมตตาจิตพูดก็โดยเมตตาจิตและทา ก็โดยเมตตาจิตกล่าวโดยรถคือความเย็นฉะนั้นการสมาทานศีลจึงมีใช่ตัวศีลแต่เป็นการใส่ปุ๋ยตัวศีลคือเจตนาเดิมของเราให้มันอ้วนผีขึ้นเท่านั้น 11. สิบเอ็ดศีลคำนี้ก็น่าจะมาจากศีละหรือศีลาที่แปลว่าหินฉะนั้นผู้มีศีลจึงควรทำใจของตนให้ใหญ่เหมือนก้อนหินก้อนหินนั้น ลักษณะของมันเป็นอย่างไรมันแน่นหนามั่นคงและเก็บความเย็นไว้ในตัวของมันเองถึงแดดจะเผาตลอดวันฝนจะตกตลอดคืนมันก็ไม่มีอาการหวั่นไหวนอกจากนั้นยังรักษาความเย็นเป็นปกติอยู่เสมอที่ว่าเย็นนั้นเย็นอย่างไรเย็นกล้าหาญคล่องแคล่วรอบคอบเย็นอย่างนี้แหละเป็นศีล ไม่ใช่เย็นอย่างคนที่ทําอะไรเฉื่อยชาเชื่องช้าหรืออืดอาดลักษณะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าคนเย็นคนเย็นต้องเย็นด้วยศีลที่มีในตัวคนมีศีลก็เหมือนกับมีน้ําอยู่ในบ้านของเราเมื่อมีน้ําอยู่ในบ้านของเราแล้วไฟมันจะลุกลามเข้ามาได้อย่างไรเมื่อใครมีความเย็นเข้าไปรักษาดวงจิตอย่างนี้โกรธเกลียดพยาบาท มันจะมีมาแต่ไหนนอกจากนี้ศิลาหรือก้อนหินนี้ยังจะเก็บไฟไว้ในตัวของมันได้อีกแต่ไม่ใช่ไฟกิเลสเป็นไฟเย็นที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเช่นหินกับหินเมื่อนำมาตีหรือกระทบกันเข้ามันก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นทันทีซึ่งเราอาจนำมาใช้ในการหุงต้มหรือนำมาใช้ให้เกิดแสงสว่างก็ได้ ประโยชน์ของศีลเป็นดังนี้ทิศสองคำว่าบุญกุศลโดยอัดหมายถึงใจที่เบิกบานมั่นคงและถาวรเหมือนกับใจของเราในขณะที่กำลังเจริญเมตตาภาวนากันอยู่นี้โดยพยัญชนะก็ได้แก่การสวดมนต์สมาทานศีลเหตุนั้นผู้ใดมีศีลก็ย่อมถึงความบริสุทธิ์เป็นบุญกุศลได้ท่านจึงว่า เกวัลปริปุนังปริสุทธังประมาจาริยังประกาเซสิสิทธสคนที่เจริญสมาธิแต่ไม่มีจิตตั้งมั่นในบุญกุศลอย่างแท้จริงแล้วพยามารเขาก็จะยิ้มเข้ามาหาละ่ะกล่าวคือขันธมานก็เจ็บปวดไปตามร่างกายสัญญาก็วุ่นวายสังขารก็คิดไปร้อยแปดพันประการวิญญาณก็รู้ไปต่างๆดวงใจผู้นั้น ก็จะพังทลายบุญกุศลก็สูญหายไปหมดเหมือนข้าวหลามที่มันสุกไม่ทั่วกินแล้วก็ท้องเสีย1 4การทำสมาธิต้องอยากดบังคับใจให้มากนักและก็อย่าปล่อยให้เหลืองจนเกินไปตอนไหนควรบังคับก็บังคับตอนไหนควรปล่อยก็ปล่อยข้อสำคัญต้องมีบีตกวิจารณ์กํากับอยู่เสมอที่เรียกว่าคุณสมบัติ ใจของเราก็จะไม่เขวะทไหลทลออกนอกความดีธรรมดาความดีแล้วก็มักจะต้องมีความชั่วเข้ามาแทรกเหมือนคนที่ร่ำรวยก็มักจะต้องมีโจรผู้ร้ายมาคอยดักปล้นทาบุญทำกุศลก็ต้องมีพยามาลฉะนั้นเวลานั่งต้องคอยระวังอย่าให้เป็นมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิได้สิหมิจฉาสติคือใจที่ออกไปนอกตัว นอกไปจากมหาสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมกายนั้นก็คือลมหายใจเวทนาก็คือความสบายหรือไม่สบายจิตก็คือรู้อยู่กับตัวธรรมก็คือปัจจุบันนาธรรมสิ 16. มิจฉาสมาธิคือความลืมตัวเผลอตัวเป็นต้นว่าตัวนั่งอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ใจออกไปที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ กลับมาอย่างไรก็ไม่รู้ใจไม่ตั้งอยู่กับสติและขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวด้วย 17. เจ็เมื่อสมาธิของเราตั้งมั่นจิตก็จะสูงขึ้นและจิตที่สูงแล้วก็ย่อมไม่มีสิ่งใดมาทำลายคุณความดีได้เปรียบเหมือนกับดาวหรือพระจันทร์พระอาทิตย์ที่สุกสว่างบนท้องฟ้าถึงแม้จะมีเมฆผ่านมาในบางคราวแต่เมฆนั้น ก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดหรือแทรกซึมเข้าไปทำลายแสงสว่างในดวงดาวหรือพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นให้กุ่นมัวหรือดับลงได้18บุญกุศลคือแม่บุญหรืออริยทรัพย์เมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วจงรักษาไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาแตะต้องได้มีแม่ทรัพย์ก็เปรียบเหมือนมีโคตรเพชรใครมีเม็ดเดียวก็นอนกินสบายดีกว่าลูกทรัพย์ ไร่นาวัวควายค่าธาตุบริวารตั้งหลายร้อยเท่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไกลตัวและดูแลก็ลํลำบากถ้าเรามีโคตเพชรแล้วห่อสำลีไว้ให้ดีมันก็จะงอกขึ้นทีละน้อยละน้อยอย่างนี้เรียกว่าเพชรดิบไม่ใช่เพชรสุกถ้าเราไปขัดถูหรือเจรไนมันเข้าแล้วมันก็จะกลายเป็นเพชรสุกไปถึงจะเอามาเก็บไว้ร้อยปี มันก็ไม่งอกออกมาได้ฉันใดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สัญญาอันใดมาแตะต้องได้สมาธิของเราก็จะเจริญขึ้นเป็นลาดับจิตก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีความสุขความเย็นก็จะบังเกิดมีไหลาตามมาสิ่งที่ปรารถนาก็จะเป็นผลสำเร็จได้ทุกๆุกประการผู้นั้นก็จะบรรลุถึง ซึ่งมักผลนิพพานนั่นแลพระธรรมเทศนาของพระสุททิธรรมรังสีคัมภีระเบทาจารย์ ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการามสามสิงหาคมสองพันห้าร้อย ความสุขที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นย่อมสำเร็จขึ้นได้จากใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความสุขนี้บางอย่างก็ไม่ใสสะอาดความสุขที่ใสสะอาดย่อมเป็นความสุขที่สูงสุดในพระศาสนาคือพระนิพพานความสุขที่นอกจากนี้แล้วก็ย่อมไม่มีความสุขที่ใสสะอาด 2. ใจที่จะสำเร็จ เป็นความสุขได้ก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นหลักเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรารู้จักธรรมะเพื่อจะได้นําไปใช้ประกอบคุณความดีให้เกิดประโยชน์สุขแก่เราตามต้องการ 3. การปฏิบัติธรรมะรมเป็นสิ่งสําคัญยิ่งอย่างไรเป็นสิ่งสําคัญก็เพราะธรรมะเป็นสิ่งที่จะต้องทําความร่มเย็น ให้แก two, ่ผู้นั้นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างที่สองเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ความสุขแก่ประชาชนพลเมืองได้ด้วยถ้าโลกเราปราศจากธรรมะแล้วความสุขก็จะหาที่ไหนไม่ได้เลยเหตุนั้นเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาให้แก่จิตใจเพราะความเป็นอยู่ในโลกทุกวันนี้จะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเข้าไปแทรกซึมในจิตใจคน ถ้าสิ่งใดมีธรรมะกำกับอยู่สิ่งนั้นก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีธรรมะกำกับอยู่แล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความไม่สงบ 4. คนเรานี้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นใดมากไปด้วยดอกดกไปด้วยผลมีกิ่งก้านใบแน่นหนาลมพายุพัดไปมาก็ไม่โค่นไม่เอน ต้นไม้นั้นก็ย่อมเป็นที่ร่มรื่นให้ความสุขแก่นกกาและทั้งคนเดินทางผ่านมาก็จะพักอาศัยได้ร่มเย็นนี้ก็เปรียบเหมือนกับผู้ที่มีธรรมะเป็นหลักมั่นคงอยู่ในใจผู้นั้นก็ย่อมเป็นที่ร่มเย็นแก่คนอื่นด้วยธรรมะเปรียบเหมือนกับละอองฝนที่ให้ความสดชื่นงดงามแก่ต้นไม้ทั้งหลายบุคคลใดมีธรรมรักษาตัวอยู่ ผู้นั้นก็ย่อมมีความสุขและเยือกเย็นนอกจากนี้ยังจะได้แผ่เผื่อเจือจานความสุขไปให้แก่ประชาชนตลอดจนถึงสัตว์เลราชานด้วยตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเดิมทีเมื่อท่านยังทรงเป็นครวาสอยู่ท่านก็เป็นโอรสของพระมาหากษัตริย์ที่ทรงอำนาจวาสนาองค์หนึ่งสลิงคาริวานของท่าน ก็มีมากมายไก่กองปราสาสพระราชวังก็ใหญ่โตมหาศาลจะทรงปรารถนาสิ่งใดก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่ประการใดแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเห็นว่าความสุขเหล่านี้ก็เหมือนผลกล้วยที่มันสุขอยู่บนยอดของมันย่อมไม่พ้นไปจากปากเหี่ยวปากกาได้โดยเหตุนี้พระองค์ จึงทรงสละสมบัติอันมหาศาลเหล่านั้นเสียและออกบรรพชาสแสวงหาความสุขอันแท้จริงที่เป็นสิ่งถาวรคือทางพ้นทุกข์เมื่อพระองค์ทรงค้นพบได้แล้วก็ถึงกับเปล่งพระอุทานในใจว่าสุขหนอสุขหน อ, นอถึงแม้บางครั้งพระองค์จะต้องทรงประสบกับเหตุการณ์ลำบากยากแค้นเช่นทุรกันดานในอาหาร หรือในความเป็นอยู่ภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นว่าสิ่งนั้นๆเป็นความทุกข์หรือเดือดร้อนแต่ประการใดและก็ยังทรงเปล่งพระอุทานได้เสมอว่าสุขหนออยู่เช่นนั้นจนเขาลือกันว่าสมณะโคดมเป็นบ้าเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความสุขอันแท้จริงอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้คิดเมตตาสงสาร ในความโง่เขลาเบาปัญญาของปวงมนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปที่ต้องยังพากันจมอยู่ในกองทุกข์อย่างน่าสมเพศเวทนาไม่มีหนทางที่จะรอดพ้นไปจากความทุกข์ได้เมื่อเกิดความสงสารขึ้นเช่นนี้พระองค์จึงได้เสด็จจาริกไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ทุกระแวกตำบลเพื่อทรงโปรดเทศนาแนะนาสั่งสอนประชาชน ให้ได้รู้จักธรรมะและข้อปฏิบัติอันจะเป็นทางนำตนให้พ้นไปจากกองทุกข์และได้ประสบความสุขอันแท้จริงอย่างพระองค์บ้างบรรดาคนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมของพระองค์แล้วต่างก็ได้เกิดศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระองค์เป็นอันมากและได้นำไปปฏิบัติกันจนได้สาเร็จความสุขอันประเสริฐก็มี ต่อจากนั้นก็ได้พาลูกหลานมาฟังธรรมของพระองค์กันอีกมากมายและคนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาได้เห็นผลมากขึ้นเป็นลำดับพระพุทธศาสนาจึงได้ขยายตัวแพร่หลายออกไปหลายทิศหลายทางทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบรรพบรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านได้แลเห็นอ น, นิสงมาแล้ว เป็นผู้แนะนำชักจูงลูกหลานของท่านดังนั้นคนชั้นหลังๆจึงได้พากันนับถือเรื่อยมาพระพุทธศาสนามาปรากฏมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือในประเทศสยามหรือประเทศไทยเรานี้พระคนที่นับถือก็มีตั้งแต่ชั้นที่ต่ำสุดชั้นกลางจนถึงชั้นสูงสุดการศึกษาพระปริยัติธรรมก็มีตั้งแต่ขั้นต่าขั้นกลาง ไปถึงขั้นสูงสุดส่วนการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันมีทั้งขั้นเลวต่ำขั้นกลางและขั้นสูงขั้นต่ำได้แก่พวกเราที่กำลังมาศึกษาฝึกหัดอบรมกันอยู่นี้ขั้นกลางก็นับแต่พระโสดาขึ้นไปขั้นสูงก็ได้แก่พระอรหันต์ีนาศพทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความสังเกตจึงจะรู้ได้ขั้นต่ำขั้นเลวนั้นมีมาก ขั้นกลางขั้นสูงนั้นมีน้อยขั้นเล็วที่สุดได้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างความดีแต่มีเจตนาชั่วฉะนั้นการปฏิบัติของเรานี้จึงสุดแล้วแต่ใครจะเลือกกินดอกกินใบหรือกินผลห้าเราจะเป็นผู้ฉลาดเก็บดอกผลกินได้ก็ต้องอาศัยปัญญาคือแสงสว่างที่เรียกว่าตาใจหรือตาในส่วนตานอก นั้นคือตาเนื้อดวงตาในนี้เราจะต้องอาศัยสมาธิจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นในดวงใจของเราและมองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงได้ส่วนตานอกหรือตาเนื้อนั้นมันคอยแต่หลอกลวงใจของเราอยู่เสมอให้เชื่อไปอย่างนั้นเห็นไปอย่างนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนให้เรามีตาในไว้สําหรับดูการไกล ตัวเรานี้มันมีอยู่เป็นสองตัวตัวนอกได้แก่กายตัวในได้แก่ใจตัวนอกของเรานี้เป็นเหมือนกับคุณเป็นตัวทุกขาธาตุแม้เราจะพากันพ่อหยอเลี้ยงดูเสียข้าวของเงินทองไปมากมายเพียงไรมันก็ไม่อยู่กับเราในที่สุดก็ต้องกลายเป็นขี้เท่าจมดินหมดส่วนใจที่เป็นตัวจริงของเรานี้ เรากลับไม่ค่อยจะได้เลี้ยงดูให้อะไรแก่มันเลยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนเรานั้นยังพากันหลงงมงายอยู่มากนักตัวจริงของตนนั้นกลับมองไม่เห็นไปมองเห็นอยู่แต่ตัวหลอกซึ่งจะเปรียบแล้วก็เหมือนกับลิงที่มองเห็นเงาของตัวเองในกระจกแล้วสำคัญว่าเป็นเจ้าลิงอีกตัวหนึ่งก็แลบลิ้นปริ้นตา ใส่เงาตัวเองหลอกกันไปหลอกกันมาในที่สุดก็เหนื่อยเปล่าตัวจริงของเรานี้ก็ได้แก่จิตตัวหนึ่งส่วนร่างกายนั้นเป็นเพียงตัวหลอกตัวหลอกนี้ถึงแม้สวมมงกุฎหรือชดาให้มันเป็นวิเศษวิโสเพียงใดมันก็จะเป็นของมันก็จะเป็นอยู่ของมันเท่านี้แหละคือเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย ถึงใครจะมีความรู้มีการศึกษาสำเร็จวิชาชั้นสูงสุดมาจากไหนไหนมันก็เป็นของมันอยู่เท่านี้ไม่พ้นจากความตายไปได้เหตุนั้นผู้มีปัญญาท่านจึงมาฝ่าใจในสิ่งที่มีสาระคือตัวที่รับผิดชอบในสิ่งทั้งหลายได้แก่ดวงจิตของเรานี้ส่วนร่างกายมิได้รับผิดชอบในบุญบาปอะไรเลยเช่น เราไปลักขโมยหรือฆ่าเขาตายร่างกายก็หาไปตกนรกไม่หรือจะสร้างความดีอย่างใดร่างกายก็ไม่ไปสวรรค์ด้วยแต่ตัวจิตซึ่งเรามองไม่เห็นนี้แหละเป็นผู้ไปอาการที่มันไปนั้นเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่มันเปลี่ยนสถานที่ย้ายที่ได้เช่นจะไปสุขคติหรือทุกขคติมันก็เรื่องจิตเรื่องใจทั้งสิน้นเหตุนั้น บุคคลที่ได้ฝึกหัดอบรมจิตใจให้มีธรรมะจึงเรียกว่ารักตนของตนใครไม่ฝึกหัดจิตใจก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ในที่มืดคืออวิชชา 6. เมื่อวิชาคือแสงสว่างเกิดขึ้นในใจแล้วใจนั้นจึงจะมีแข้งมีขามีตามีมือคิดทำการสิ่งใดก็สำเร็จหมดถ้าไม่มีวิชาแล้วใจก็มืด มองไม่เห็นอะไรจะต้องอาศัยแต่ร่างกายอย่างเดียวถ้าใครมาปฏิบัติให้เกิดตาใจได้แล้วก็จะมองเห็นได้ว่าร่างกายนั้นเป็นอย่างหนึ่งใจนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งหาได้เป็นคนเดียวกันไหมเดี๋ยวนี้ใจของเรายังเป็นเด็กอยู่จึงต้องอาศัยกายเป็นพี่เลี้ยงถ้าเราฝึกหัดใจแล้วใจก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็จะทิ้งกายได้ ธรรมดาของเด็กนั้นก็จะต้องอาศัยพี่เลี้ยงไปก่อนถ้าเด็กนั้นถูกเลี้ยงดูให้เจริญเต็มที่แล้วมันก็จะหนีจากคนเลี้ยงนั้นไม่ต้องมาอุ้มมาหอบกันต่อไปถ้าเราไม่รู้จักฝึกหัดจิตใจใจของเราก็จะต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนี้เรื่อยไปก็หอบแต่ร่างกายไปหอบไปที่เราเป็นทุกข์กันนั้นก็เพราะใจของเรามันเป็นเด็กธรรมดาของเด็กนั้น ก็จะต้องถูกเขาล่อหลอกอยู่เสมอมิฉะนั้นมันก็จะไปเที่ยวสุกสนและทำความเสียหายขึ้นเหตุนั้นร่างกายกับจิตนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนฉมดกับจอมปลวกเจ้าจอมปลวกก็เพียนขนแต่ดินมาใส่เพื่ออุดช่องเจ้าฉมดก็คอยแต่พังรูจะออกไปท่าเดียวเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหาที่อยู่คือสารณะ ไม่ต้องอาศัยจอมปลวกสร้างธรรมะให้เป็นที่อยู่ของดวงจิตเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่มีบ้านอยู่ถึงจะไปนั่งไปนอนที่ไหนใจก็ไม่อยู่อยู่ได้ก็แต่ร่างกายเหตุนั้นใจจึงไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่สัญจรไปมาย่อมไม่มีความสุขในการเดินทางเพราะทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยและแดดก็ร้อนคำว่าบ้านในที่นี้ หมายความถึงหลักของสมาธิฉะนั้นถึงใครจะมีสมบัติอะไรมากมายก็ตามถ้าไม่มีบ้านอยู่คนนั้นย่อมไม่มีความสุขฉันใดคนที่ไม่มีสมาธิคือหลักของใจถึงจะทําบุญกุศลมากมายเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีความสุขเช่นเดียวกันเหตุนั้นเราจึงควรพากันฝึกหัดอบรมใจให้มีสมาธิ การฝึกใจนี้ก็เหมือนกับเรากินข้าวแล้วเราก็จะต้องดูแลเก็บภาชนะถ้วยชามมาล้างเช็ดให้สะอาดเมื่อถึงเวลาจะรับประทานอีกก็จะได้หยิบมาใช้สอยได้สะดวกจิตใจของเราที่ใช้ประกอบในกิจการใดๆก็ตามเราก็จะต้องคอยมันขัดมันล้างให้สะอาดเช่นเดียวกัน 7. ขอให้พากันคิดว่าในขณะนี้ เราได้มุ่งหน้าก้าวเข้ามาพึ่งร่มโพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเมื่อบำเพ็ญความดีเราจะไม่เอาใจไปฝากไว้ในโลกกับบุคคลใดหรือวัตถุสิ่งใดเป็นอันขาดเราจะขอฝากใจของเราไว้กับพระอย่างเดียวคือให้ใจมันไหลไปในพุทธานุสติไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดทั้งหมดเอาสติมาสำรวจอยู่ที่ใจของเรา เอาร่างกายเป็นสนามเล่นมีสติประจําใจอยู่เสมอลมหายใจเข้าไปเป็นอย่างไรเราก็รู้ลมหายใจออกมาเป็นอย่างไรเราก็รู้อย่างนี้เรียกว่าตั้งอยู่ในพุทธานุสติเป็นข้อที่หนึ่งสองทําดวงใจให้สะอาดเรื่องที่เป็นไปกับด้วยนิวรณธรรมเช่นเกลียดคนโน้นชังคนนี้รักคนนั้น เรื่องที่ชอบไม่ชอบดีไม่ดีเราไม่ใส่ใจทั้งสิ้นต้องตั้งใจว่าเราจะทําดวงจิตของเราให้พ้นไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตของเราก็จะมีตัวทมเกิดขึ้นมีความเย็นแล้วก็มองดูความไม่สะอาดของตนว่าความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เป็นความสะอาดหรือไม่สะอาดความไม่สะอาดก็ได้แก่จิตที่เจือปนด้วยกิเลส ขณะทำความสงบอยู่เราอย่าไปตรึกนึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกที่เรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตัวโลภถ้ามันจะเกิดขึ้นในจิตก็พยายามล้างอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ตัวโกรธถ้ามันจะเกิดขึ้นในจิตก็พยายามล้างอย่าให้มันเกิดขึ้นได้ตัวโมหะความหลงก็เช่นเดียวกัน พยายามไล่ความชั่วออกไปให้หมดนี่แหละเรียกว่าจิตตะวิสุทธิ์ถ้าดวงจิตมันหยุดเมื่อใด น, นั่นแหละความบริสุทธิ์จึงจะเกิดขึ้นเหมือนคนที่หยุดนั่งพักใต้ต้นไม้ความเหนื่อยก็จะหายไปเหงือใครก็จะไม่มีราคะโทสะโมหะนี้เปรียบเหมือนกับเหนือใครที่เปียกเปื้อนใจของเราเมื่อใครมาสลัดเหนือใครทั้งหลายทิ้งเสียได้ ใจผู้นั้นก็จะสะอาดเหมือนคนที่นั่งใต้ต้นไม้ได้แก่การพึ่งต้นโพคือพุทธคุณเมื่อดวงจิตผู้ใดไปตั้งอยู่ในคุณธรรมดวงจิตผู้นั้นก็สบายร่มเย็นความเย็นเกิดจากความสงบนิ่งเมื่อความเย็นความสะอาดนี้มีมากเข้ามากเข้าดวงจิตก็จะใสเหมือนน้าเกิดแสงเป็นความสว่างขึ้นในจิตใจของเรานี้บางคราว มันสะอาดแต่ไม่ใสกล่าวคือยังไปข้างหน้ามาข้างหลังไม่คงที่ผู้ที่มีใจใสแล้วก็ย่อมจะเกิดวิชาขึ้นในตนที่เรียกว่าจักคุ้งอุดะปาฏิยานังอุดะปาฏิปัญญาอุดะปาฏิวิชาอุดะปาฏิอาโลโกอุดะปาฏิบุคคลนั้นก็จะมีตาเป็นสามตามีหูเป็นสามหูตาอดีตได้แก่ ปุเพนิวาสยานตาอนาคตได้แก่จุตูปพาตญาณตาปัจจุบันได้แก่อาสวัขคยาญาณปล่อยวางเสียได้ซึ่งสิ่งที่เป็นโทษดวงจิตผู้นั้นก็จะไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตไม่ติดอยู่ในปัจจุบันดังนั้นใครทําสมาธิให้เกิดขึ้นในตนผู้นั้นก็จะมีดวงตาถึงสามดวงกล่าวคือ ตานอกข้างซ้ายก็รับของดีตานอกข้างขวาก็รับของที่ชั่วแล้วก็ส่งไปให้ตาในาตาในาก็เป็นปกติมีหูสามหูก็คือหูนอกข้างซ้ายรับฟังคำที่เขาสรรเสริญเยินยอหูนอกข้างขวารับฟังคำที่เขานินทาติเตียนแล้วก็ส่งไปให้หูในหูในก็ฟังเป็นปกตินี่เป็นเครื่องรับแขกในโลก ส่วนตาใจคือยานเป็นเครื่องต้อนรับกิเลสเมื่อเรารู้เรื่องของมันดีแล้วเราก็จะพากันร่าลากิเลสคนนั้นก็อยู่ในโลกได้อย่างสบายไม่มีการขัดเคืองในทางตาไม่มีการขัดเคืองในทางหูไม่ขัดเคืองในทางลิ้นทางกายและทางใจพบแต่ความใสสะอาดกิจที่ยังไม่ได้ฝึกก็เปรียบเหมือนยังเป็นเด็กเมื่อฝึกแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ ส่วนร่างกายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็กลับกลายเป็นเด็กไปเหมือนกับคนเราตอนแรกก็เป็นเด็กก่อนต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่แล้วก็กลับกลายไปเป็นเด็กอีกที่ว่ากลับไปเป็นเด็กอีกนั้นก็เพราะคนแก่มักทำอะไรหลงหลงลืมลืมและช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องให้เด็กนั่นแหละกลับมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลป้อนข้าวน้าให้ใหม่เหตุนี้ ร่างกายจึงเป็นอนิจจังทุกขังองนัตตาแต่ใจที่ฝึกดีเป็นผู้ใหญ่แล้วย่อมไม่เดือดร้อนไปกับร่างกายเลยถึงร่างกายจะเป็นอนิจจังอนิจจังก็ไม่ปรากฏในจิตใจร่างกายจะเป็นทุกขังความทุกข์ก็ไม่ปรากฏในจิตใจร่างกายจะเป็นอนัตตาความเดือดร้อนก็มไม่ปรากฏในจิตใจใจก็คงเป็นใจปกติวางเฉยอยู่ ไม่ยึดถือในอาการนั้นน น, นี่เป็นเรื่องของจิตที่ได้ฝึกหัดอบรมแก่กล้าแล้วย่อมทิ้งกายได้ด้วยประการดังนี้เหตุนั้นเมื่อเราพากันมาบำเพ็ญกุศลคุณความดีโดยตั้งใจระลึกถึงพุทธานุสติเป็นอารมณ์อยู่เสมอเสมอแล้วเราก็จะเป็นผู้ปล่อยวางเสียได้ซึ่งความยึดถือจิตก็จะเข้าสู่กระแสร ธ, ธรรมเป็นวิปัสสนาญาณ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 ธรรมัโรวัดอโศการาม4 ส, สิงหาคม2500รื่องธรรมัทสวรนะใหม่ 1. วันนี้เป็นวันธรรมะสวนะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ให้เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้มาประชุมกันสดับพระธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถเพราะการฟังธรรมนี้ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จในการบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมสวนะใหม่แปลว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม อีกอย่างหนึ่งทรงกรัสไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมัรสวนณังเอตัมมังคละมุตตมังหรือกาเลนะธรรมสากัตชาเอตัมมังคละมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมโดยการหรือการสนทนาธรรมโดยการย่อมนำมาซึ่งความสิริมงคลอันสูงสุด 2. เพราะการฟังธรรมนี้ ย่อมยังประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังได้เป็น3ประการคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญาและวิชาความรู้ 3. อาจยังความสำเร็จให้บุคคลนั้นนั้นบรรลุในธรรมสูงสุดได้ 3. ประโยชน์ของการฟังธรรมข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งใด ที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้วิชาความรู้ขึ้นจากข้อความนั้นๆข้อที่สองเมื่อเรานำข้อความนั้นๆมาคิดพิจารณาไตรตรองดูแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นข้อที่สามเมื่อเกิดความรู้ขึ้นแล้วได้น้อมนําความรู้อันนั้นเข้ามาปฏิบัติตามด้วยจนสามารถละอาสวะกิเลสบางอย่างผู้นั้น ก็อาจสำเร็จเป็นพระอริยะเจ้าได้ 4. การฟังธรรมนั้นอย่างต่ำที่สุดคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ตั้งใจฟังให้จริงๆรําจิตของตนให้แน่วแน่ก็อาจสำเร็จประโยชน์ในธรรมนั้นๆได้อีกอย่างหนึ่งขณะที่ฟังได้น้อมเอาธรรมะนั้นๆเข้ามาไว้ในใจก็อาจจะละชั่วได้ในทันที ได้เป็นพุทธมามะกะเข้าถึงไตรทรนาคมคือดวงจิตได้เข้าถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณจริงๆดังที่เราสวดกันว่าบุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสรรนังขะโตเป็นต้นฉะนั้นการฟังธรรมนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นมหามงคลอันหนึ่งผู้ใดฉลาดในการฟังธรรม ก็อาจสำเร็จประโยชน์ได้ตามความปรารถนา 5. การฟังเทศน์นั้นบางคนไปพบพระองค์ที่แสดงไม่ถูกใจตนก็ไม่อยากฟังบางคนไปพบเนื้อเรื่องที่พระท่านแสดงไม่ถูกกับใจของตนบ้างก็ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้คนไม่มีปัญญาก็เห็นว่าไม่ดีแต่คนมีปัญญาเมื่อฟังไม่ดีก็นำไปดัดเสียจนกลายเป็นของดีไปได้ ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อครั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ทรงสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เคยฟังคํานินทาติเตียนมาแล้วเป็นอันมากแต่ถ้อยคําเหล่านั้นพระองค์ทรงฟังแล้วก็เก็บมาคิดพิจารณาไตรตรองดูแล้วก็ทรงเห็นว่ามนุษย์เหล่านี้ช่างหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยหนอวันนี้เขาเกลียดเรา นินทาว่าให้เราแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นคำนินทาของเขาก็กลับเป็นคำสรรเสริญเยินยอไปแล้วหรือมิฉะนั้นวันนี้เขารักเราแต่พอถึงวันพรุ่งนี้เขากลายเป็นเกลียดเราและวันมรืนต่อไปเขาอาจจะกลับมารักเราอีกก็ได้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเสียเลยถ้าจะเอาใจของคนมายึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังกับตัวเราแล้ว ก็เห็นจะไม่มีความสุขเป็นแน่ทรงพิจารณาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของปวงมนุษย์และจึงได้ทรงเห็นธรรมที่แท้จริงได้เหตุนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรละโอกาสอันดีงามเสียถึงแม้เนื้อความที่พระท่านเทศนั้นบางเรื่องอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเราก็ตามก็ควรตั้งใจฟังไปให้ตลอด เพราะเนื้อความนั้นเมื่อเรานำมาใคร้ครวนพิจารณาแล้วอาจจะเกิดเป็นวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเราก็ได้คําสรรเสริญก็เหมือนกันคํานิงทาก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเรารู้จักฟังให้ดีก็อาจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไปได้เหตุนั้นพวกพญามารต่างๆที่จับอาวุธจะเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้านั้น พระองค์จึงไม่ได้ทรงหว่นไว้แล้วศาสตราอาวุธหอกดาบเหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นเข้าตอกดอกไม้มาบูชาพระองค์หมดใครจะเอารูปดีไม่ดีมาถวายหรือเขาจะสารเสรินเยินยออย่างใดพระองค์ก็ไม่ทรงเหลิงไปตามคำของเขาดีหรือไม่ดีพระองค์ก็ทรงถือเป็นประโยชน์ได้ทั้งสิน้นเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าสุดสู้สร้างและพระเตปัญญัง การฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาดังนี้หคนเราโดยมากมักจะเห็นกันคิดกันแต่เพียงเรื่องสั้นๆแคบๆเช่นเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดมาแล้วก็ตายมามองเห็นกันอยู่สั้นๆแค่ปากแค่ท้องเท่านี้ไม่ค่อยจะมีใครคิดกันให้ยาวออกไปอีกคือที่จะคิดให้เลยออกไป จากความตายนั้นไม่มีเหตุนี้จึงเป็นคนใจแคบไม่คิดที่จะสร้างคุณงามความดีสำหรับตัวเองเพราะมองไม่เห็นความจริงและคุณประโยชน์อันสำคัญยิ่งที่จะพึงมีพึงได้แก่ตนในภายภาคหน้าความจริงเรื่องของคนเรานั้นเป็นเรื่องที่ยืดยาวทีเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นๆเลยถ้าเป็นเรื่องสั้นจริงตัวเราเกิดมาจากไหน เป็นมาอย่างไรเราคงทราบได้หรือเรื่องต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเรื่องสั้นจริงเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนและเป็นอะไรเราก็คงรู้ได้อีกแต่นี่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ถึงเรื่องราวของตนเหล่านี้ได้บุคคลที่จะรู้ได้พอสมควรก็มีแต่บุคคลบางจําพวกนับแต่ชั้นพระโสดาขึ้นไป ซึ่งท่านมีดวงจิตแก่กล้าในบุญกุศลและมีความบริรสุทธิ์ใสสะอาดจนมีญาณความรู้พิเศษเกิดขึ้นในดวงใจแล้วนั่นแหละจึงจะสามารถคำนวณความเป็นมาของตนได้ว่าท่านเกิดมาจากไหนแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีดวงตาในท่านจึงสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ท, งทั้งที่ล่วงมาแล้วและ ทั้งที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าได้บางทีก็เห็นทั้งเรื่องของตนเองและเรื่องของคนอื่นเหตุนั้นท่านจึงได้มองเห็นสภาพความทุกข์ยากในการเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เห็นความหมุนเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นชาติเห็นภพของตนที่เป็นมาแล้วทั้งในส่วนดีและไม่ดี ก็ยังความสลดสังเวชใจให้เกิดความเบื่อหน่ายในชาติภพจึงเป็นเหตุให้พยายามสร้างคุณงามความดีให้มีในตนยิ่งขึ้นเพื่อทำชาติความเกิดหรือตัดภพตัดชาติให้น้อยลงเหตุนั้นจึงกล่าวว่าพระโสดาเกิดมาอีก7ชาติแล้วก็จะไม่ต้องมาเกิดในมนุษย์โลกอีกพระสกิทาคาอีกหนึ่งชาติพระอนาคาไปเป็นพรหมแล้ว เลยสำเร็จอยู่บนโลกทิศอย่างพระโสดานั้นถึงแม้ท่านจะกลับมาเกิดอีกสถานที่เกิดของท่านก็เป็นที่ถาวรไม่ได้ไปเกิดในอบายเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเดรรฉานท่านมาเกิดก็มาเกิดเป็นคนนี่แหละแต่เป็นคนก็เป็นคนพิเศษไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างเราเรานี้ที่ว่าพิเศษนั้นคืออย่างไรคือท่านมีกิเลสน้อยไม่หนาแน่น เหมือนปูธุชนธรรมดาท่านมีความละอายในบาปกล่าวคือมีฮิริโอต ป, ปะประจำใจถึงจะมีความผิดเกิดขึ้นบ้างในบางขณะท่านก็แลเห็นโทษและละอายใจไม่ยอมทำความชั่วตามกิเลสนั้นๆบุคคลที่เหนื่อยหน่ายในชาติพบแล้วย่อมรีบเร่งสร้างความดีของตนเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเช่นคนที่ไปเกิดในสวรรค์ ก็ยิ่งมองเห็นความทุกข์ของคนในเมืองมนุษย์มากเข้าท่านก็ยิ่งเร่งรีบสร้างความดีให้หนักขึ้นฉะนั้นความเกิดของท่านจึงน้อยลงเจ็ดเมื่อผู้ใดต้องการปรารถนาที่จะทำชาติภพของตนให้สั้นเข้าก็จงหมนสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นกล่าวคือทําดวงจิตของตนให้สะอาดผ่องใสอยู่ในทานศีลและภาวนา สำรวมกายวาจาใจให้เป็นปกติให้สงัดจากบาปทั้งภายนอกและภายในกายวาจาไม่มีโทษก็สงัดจากบาปภายนอกเป็นกายวิเวกใจตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาไม่ตกไปสู่นิวรณธรรมก็สงัดจากบาปทางใจเป็นจิตวิเวกมีความสงบสุขเย็นทั้งกายทั้งใจซึ่งเรียกว่า สุขโขวิเวโกตุทัตสะสุขโขปุญญสสะอุจจโยเมื่อความวิเวกเกิดขึ้นในดวงจิตแล้วบุญทั้งหลายก็จะไหลามาไม่สิ้นสุดดวงจิตผู้นั้นก็จะสูงขึ้นทุกทีทุกทีจนไม่ต้องการอะไรเลยเคยกินมากก็จะไม่อยากกินมากเคยกินน้อยก็จะไม่อยากกินเลยเคยพูดมากก็ไม่อยากพูดมากเคยนอนมาก ก็อยากนอนให้น้อยมีความเป็นอยู่อย่างใดใจก็เป็นสุขไปหมดเป็นผู้หมดเวื่อไผต่อใครๆนี้แลจะเป็นการตัดชาติตัดภพของตนให้สั้นลงได้แปดฉะนั้นผู้ใดที่มาตั้งใจฟังธรรมแล้วก็จงน้อมนําไปคิดพิจารณาดูให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองถ้าเห็นว่าตนยังเป็นผู้บกพร่องอยู่ด้วยประการใดแล้ว ก็จงรีบซ่อมแซมเยียวยาเสียความสมบูรณ์ในตัวเราก็จะเกิดมีขึ้นมันจเจริญสมาธิภาวนาทำดวงจิตให้สะอาดปราศจากนิวรณธรรมอันจะนำให้ดวงจิตของตนตกไปในอารมณ์ที่ชั่วคือความศกปรกโสมมความสกปรกนั้นย่อมเป็นที่อยู่ของจำพวกสัตว์เดรชานเช่นหมูหมาเป็ดไก่และอัวควายเท่านั้น หาใช่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ไหมถ้าเป็นคนแล้วเขาก็จะต้องชอบอยู่ในที่สะอาดในที่ซึ่งไม่มีเชื้อโรคและปราศจากอันตรายฉะนั้นพระท่านจึงทรงสรรเสริญการวิเวกเป็นบ่อแห่งความสุขจึงควรหาสถานที่อยู่ของใจเราให้ดีที่ท่านเรียกว่าจิตตะวิเวกสงัดจากนิวรณธรรมทำใจให้ใสเป็นแก้วแล้วก็คอยระวัง อย่าให้พวกพยามาลเอาของเลวมาแลกเอาของดีไปได้ต้องเป็นผู้มีสติอยู่กับตนเสมอเสมออย่าให้ลืมให้หลงกใจที่ไม่อยู่กับตัวนั้นความชั่วทั้งหลายกล่าวคือพวกนิวรณ์ต่างๆก็จะไหลเข้ามาครอบงำทำอันตรายแก่ดวงใจของเราให้หลุดไปจากคุณความดีเหมือนกับบ้านเรือนที่ไม่มีคนอยู่ ก็ย่อมจะเป็นรังแห่งหมอดปลวกและสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยได้ถ้าเราทาใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวแล้วเราก็เป็นผู้ปลอดภัยเหมือนคนที่อยู่ในเรือใหญ่ซึ่งจอดอยู่กลางทะเลคลื่นลมก็สงบราบคาบจะมองไปทางไหนก็โปร่งโล่งเห็นไปได้ไกลตาก็สงบจากรูปหูก็สงบจากเสียงใจก็สงบจากกามที่เรียกว่ากามวิตก พยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกจิตวิเวกสงบสงัดเราก็จะละเสียได้จากสักกายะทิฏฐิอัตมิ ม, มานะบุคคลนั้นก็จะข้ามไปถึงฝั่งอันเป็นแดนกเกษมแห่งโยคะสมตามความปรารถนาได้แสดงมาในวิเวกคะถาแต่โดยย่อเพียงเท่านี้